หลวงปู่ไปต่างประเทศปีพุทธศักราชสองห้ลวงปู่ได้เดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียการเดินทางครั้งนั้นคณะติ์ที่ร่วมเดินทางไปด้วยต่างประทับใจในบารมีของหลวงปู่ที่ช่วยขจัดปัญหาต่างๆเป็น ต, ต้นว่าปัญหาตัวเครื่องบินไม่มีและปัญหาโรงแรมที่พัก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 ได้เดินทางไปอินเดียอีกครั้งในปีพุทธศักราช2523นอกจากนี้แล้วหลวง ป, ปู่ยังได้มีโอกาสเดินทางไปที่ปีนังประเทศมาเลเซียกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตลอดถึงทวีปดุโรปและอเมริกาอีกด้วยหลวง ป, ปู่กับงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนที่ว่านับเป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกันทั้งฝ่ายบัพฑิตและคารวาดและผลของงานก็ได้ก่อประโยชน์อนเนกอันันต์ชิ้นหนึ่งคนุงฝูก็คืองานสร้างฝ่ายน้ำล้นกลืนลน้ำอุนเนื่องจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในลำน้ำอู่นส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อชาวบ้านที่ฝากชีวิตไว้กับลำน้ำอูนซึ่งได้แก่ชาวบ้านตำบลสว่างตำบลเชิงชุมของเขตอำเภอพนนิคมและชาวบ้านตำบลขมิ้นตำบลหนองลาชของเขตอำเภอเมืองสกลนครซึ่งอยู่คนละฝัวว่งของลำน้ำอูนแห่งนี้ดังนั้นในปีพุทธศักราช2521ภายหลังจำพรรษา ที่วสันติสังคารามหลวงปู่ก็ได้รับการอาราธนาจากชาวบ้านทั้งสี่ตำบลในสองเขตอำเภอให้มาเป็นประธานในการสร้างฝ่ายน้ำร้นก่านลำน้ำอูนแห่งนี้และภายหลังจะไดมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน ง, งานทั้งฝ่ายบรรพชิตและกราวดาในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2521เ ก็ได้ข้อสรุปว่าจะสร้างฝ่ายกันที่ท่าวังหินซึ่งก็คือบริเวณจำนักสง์เวรุวันสันติวรยานโือท่าวังหินในปัจจุบันที่ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเห็นควรจะเริ่มงานกันวันไหนหลวงปู่ก็ว่าให้เริ่มงานกันวันนี้เลยดังนั้นเมื่อประชุมเสร็จหลวงปู่ก็ได้พาตเตรียมสถานที่จุดขํา ม, มืด ของวันที่ประชุมนั่นเองนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของหลวงปู่ที่เด่นชัดมากในเรื่องของความเป็นผู้เอาใจใส่ได้รับผิดชอบในภารกิจเรียกว่าต้องลงมือกันเดียวนั้นและต้องทำกันให้สำเร็จหลวงปู่เป็นผู้มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทนพูดจริงทำจริงถึ่จะจะมั่นคง เป็นผู้ไม่มากโหวาหารงานก่อสร้างเริ่มจากพระเนนและชาวบ้านทั้งชายหญิงเด็กคนชรารวมกันประมาณสองอชีวิตช่วยกันขนหินจากป่าบ้านหนองลาดโดยพระจะช่วยกันนัดหินและทุกหินก้อนใหญ่ให้แตกเป็นหินก้อนเล็กพอที่จะขนได้สะดวกขึ้นทุกวันหลวงปู่จะพาเริ่มงานตั้งแต่ตีสี ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพอสิบโมงเ้าจึงพักจันอาหารส่วนอาหารหลักของชาวบ้านก็คือตำหมากบุ๋งหรือตำมะละกอหลังอาหารเสร็จแล้วก็เริ่ม ง, งานกันต่อจนมืดค่ําพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มหลุงปู่ก็จะพาสวดมนต์และฟังเทศเสร็จแล้วจึงเริ่มทิ้งหินลงในคอกไม้ที่สร้างไว้ตลอดแนวฝายกว่าระจําวัดได้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 ของการสร้างฝายได้มีพระลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปหนึ่งรับความคับข้องใจอย่างมากจากคำลินทาว่าร้ายจนถึงขนาดคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นโดยไม่บอกหลาใครตื่นเช้าพอเข้าไปใกล้หลวงปู่หลวงปู่ก็ถามขึ้นว่าท่านท่านห้ามเสียงกบเสียงเขียดไม่ร้องได้ไหมเพียงคำพูดประโยคเดียวพอหลวงปู่ ก็สามารถยังความสงบเย็นสะดวงใจของลูกิษ์ผู้นั้นได้หลวงปูไ่ไม้เมตตาพูดเปลือนสติอีกว่าที่กบเขียดตมันร้องเท่ากับมันฆ่าตัวเองถ้าอย่างไรหลวงปู่อธิบายว่ากรเขียดมันร้องว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เมื่อคนได้ยินก็จะมาจับไปกินคำหนึ่งทาว่าร้ายก็เหมือนกัน เราไม่ได้เป็นเหมือนเขาว่ามันจะฆ่าก็ฆ่ากฎว่านั่นเองไม่ต้องไปเดืดร้อนหลวงปู่นั้นที่แรกที่ประชุมก็ ข, ขอให้ท่านเป็นเพียงประธานแต่ท่านก็กระโดดเข้าร่วมอย่างเต็มตัวหรือเกินตัวเสียด้วยซ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายคนที่มาช่วยกันตัวดำเป็นนิโครกันทั่วหน้า รวมท่านหลวงปู่ของเราด้วยเช่นกันจนฝ่ายน้ำล้นสร้างสำเร็จในเดือนพฤษภาคม2521หลวงปู่จึงกลับไปจำพรรษาที่ทํำป่าปร่องแต่เนื่องจากการก่อสร้างฝ่ายกระทำการโดยขาดหลักวิชาดังนั้นต่อมาภายหลังในช่วงที่มีฝนตกลงมามากน้้ำจะ ก, กัดเจาะตรงบริเวณคอฝ่ายซึ่งเป็นดินทราย ให้พังทลายลงมาเป็นทางกว้างประมาณปลายปีพุทธศักราช2523หลังงานฉลองพระอุโบสถที่วัดสันติสังคารามเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2523หลวงปู่ก็ได้พาพระเนรเตรียมการจากเจดีคอนกรีตเสริมกวายเดิมที่ทำไว้ให้ช่วยกันกันกบชาวบ้าน ผนหินมาเตรียมไว้แต่พอกลางปี2524ทางกรมชลประทานมาเห็นเข้าก็รับที่จะดาเนินการแทนต่อไปกระทั่งได้มาสำรวจในปีพุทธศักราช2527และลงมือก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2528แล้วได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4ตัว พร้อมทั้งสร้างคลองส่งน้ำเพื่อส่งน้าออกไปยังพื้นที่เกษตรทั้งสองด้านตามดําหลิกของลุงปู่ฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำอูนนี้นับได้ว่าอานวยประโยชน์แก่ชาวบ้านเกษตรกรในละแวกนั้นเป็นอย่างมากโดยเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,000 พไร่ทั้งต้นไม้ของสองฝั่งลาน้าอูนก็เกี่ยวกระชีตลอดไป น้ำบอกที่เคยขุดด้วยความยากลำบากก็ขุดง่ายขึ้นเนื่องจากความอิ่มตัวของน้ำโดยรอบบริเวณฝายน้ำล้นแห่งนี้การสร้างพระเจดียด์พิพิธภัณฑ์ถวายหลวงปู่เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่สิมจะมีอายุครบ80ปีบริบูรณ์ในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532 ทางคณะศิษยานุสิ์และคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ถวายหลวงปู่โดยการออกแบบของหม่อมราชวงศ์นิตร ร, ศรศุลเกษมสีศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2530และกำหนดจะสมโภชพร้อมกันในงานทำบุญฉลองครบอายุรอบแ0สิปีแต่งานก่อสร้างพระเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องเลื่อน ง, งานฉลองพระเจดีออกไปจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ได้จัดงานสมโพธ์ในปีพุทธศักราช2535นี้เองในพิธียกฉัดพระเจดีนั้นท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปซึ่งคอยจับมือช่วยหลวงปู่ชักยอดฉัดได้เล่าให้ฟังว่าตัวท่านจจแปยยุโรหลวงปู่ให้ลูกศิษย์มานิมนท เป็นงานยกฉัดพระเจดีท่านก็กำลังทำวีซ่ายุโรปครั้งแรกท่านลังเลต่อมาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมาช่วยงานฉลองพระเจดีจะเป็นประโยชน์กว่าท่านก็เลยตัดสินใจไปจักยอดฉัดช่วยหลวงปู่ท่านอยู่ข้างเบาหลวงปู่นวดขาหลวงปู่และวพูดตัดพอกับหลงวลงปู่ว่าหลวงปู่หลวงปู่มีบุญหลาย ลูกหลานจะไปยุโรปว่าได้ไปต้องมายกยอดฉัดช่วยหลวงปู่แล้วถามหลวงปู่ว่าสังขารร่างกายเป็นอย่างไรทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะหลวงปู่ยิ้มแบบสุขสบายท่านบอกว่าอาตมาไม่เคยยิ้มมากๆเห็นวันอย่างนี้ช่วงท้ายของหลวงปู่นับได้ว่าหลวงปู่ เกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ให้กับตนเองและใช้ชีวิตที่เหลือในการเกื้อกูลมหาชนอย่างแท้จริงหลวงปู่ท่านพร่ำสอนเสมอเสมอมิให้ตั้งตนในทางที่ประมาททั้งความประมาทในชีวิตความประมาทในวัยและความประมาทในความตายหลวงปู่เน้นย้ําให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติภาวนาว่า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 แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้นๆหมดลงก็ยอมต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดอีกถางพระจึงสอนให้มุ่งภาวนาทำจิตให้รวงระวังตั้งมัน่นทำจิตให้มีปรรัญญารู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเองจนถอดถอนอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นต่างๆออกเสียซึ่งจะเป็นไปด้วยความสิ้นพบสิ้นชาติ หมดทุกหมดอยาได้โดยแท้จริงและอีกตอนหนึ่งว่าเรื่องการภาวนาเป็นยอดของบารมีทั้งหลายเป็นการเสริมสร้างกำลังใจกำลังปัญญาให้เข้มแข็งสามารถต่อสู้เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ได้เมื่อไม่รู้จักภาวนาก็ปล่อยให้พวกกิเลสเป็นเจ้านายผู้บงการการกระทำของตนตนก็ เ, นเลยเป็นทาสของกิเลส เป็นเหตุให้ทำกรรมไม่ดีสะท้อนเอาความทุกข์ยากมาสู่ตนเองช่วงท้ายท่านได้มีโอกาสเดินทางลงมาโปรดญาติโยมทางกรุงเทพบ่อยครั้งบางครั้งหลวงปู่ต้องขึ้นเทศในโอกาสงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นสัปดาวันวิสากะบูชาที่ท้องสนามหลวงซึ่งมีคนสนใจมาฟังธรรม และปฏิบัติธรรมเต็มบริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวงนับพันๆคนประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2535หลวงปู่ได้เดินทางจากถ้ำผาปลองเพื่อมาทำพิธีเททองหลอรูปเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาและอีกครั้งในตอนต้นเดือนสิงหาคม2535 เพื่อเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่เองที่ลวงหล่อช่างสมนึกซึ่งอยู่ในซอยวัดเพลงวิปัสนากรุงเท พ, พเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดสันติสังคารามจังหวัดสกลนครสำหรับวัดสันติสังคารามนี้หลวงปู่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนแล้วเสร็จ ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสเสด็จมาวังลูกนิมิตในวันที่26พฤศจิกายน2523ในโอกาสเดียวกับงานฉลองอายุลุงปู่ครบ71ปีวันที่6สิงหาคม2535 หลวงปู่ได้เดินทางลงมากรุงเทพอีกครั้งโดยพักที่บ้านกรุงเทพภาวนาจนถึงวันที่12สิงหาคม2535หลวงปู่จึงเข้าไปรับพัทย์ยศโด ย, ดดยเลื่อนจากสมณศักดิ์ที่พระครูสันติวรยานเป็นพระญาณสิทธาจารย์หลังจากนั้นท่านก็เร่งรีบกลับถ้ำผาปล่องเมื่อกลับไปถึงแล้ว หลวงปู่ก็ยังแลดูแจ่มใสเบิกบานไม่ได้สออาการอาภาษแต่อย่างใดเลยหลวงปู่ละสังขารคืนวันที่13สิงหาคม2535เวลา20นาฬิกา30นาทีพระเนนพร้อมกับอุบาสก อ, อุบาสิกาได้พร้อมใจกัน เจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมณสัตว์ถวายลุงปู่หลังจากเจริญพุทธมนต์ลุงปู่พาพระเนมและญาติโยมนั่งภาวนาต่อจนถึงเวลาประมาณ21นาฬกา30นาทีแล้วท่านก็นั่งพักดูบริเวณภายในถ้ำอีกประมาณ20นาทีคล้ายกับจะเป็นการอำลาจนถึงเวลา ยี่สนาฬิกาท่านจึงกลับเข้ากุฏิที่พักด้านหลังถ้ำพระชัยอักิจโจซึ่งเป็นพระอุปัากในเกือนสุดท้ายเรลาเหตการณ์ต่อจากนั้นว่าหลังจากหลวงปู่เข้าที่พักในเวลาสองยามหลวงปู่ก็ให้ท่านเอามุ้กปลดลงเพราะถึงตอนตีหนึ่งหลวงปู่ ก็ได้ลุกขึ้นมาบ้นเสลยหลวงปู่พูดว่าคี่เธอมันติดคอหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ล้มตัวลงนอนในท่าศีรษะสายญาดจนถึงตอนต2สองหลวงปู่ลุกขึ้นอีกครั้งถามหากระบอกปัสสาวะเมื่อปัสสาวะเสร็จซึ่งครั้งนี้มีอาการขัดขัดหลวงปู่ก็เอ็นตัวนอน ในท่าศิห์สายญาตอีกพระชัยได้ลเล่าตอบอีกว่าหลังจากนั้นสังเกตว่าลมหายใจของหลวงปู่เริ่มติดขัดมีเสียงในใจสั้นยาวดังบ้างคอยบ้างเป็นประยะไม่สักพักใหญ่เสียงก็เยียบหายไปพร้อมกับมือขวาที่นุศีรษะหลวงปู่ได้ตกลงมา พระชัยก็นึกว่าหลวงปู่คงจะนอนหลับไปจนกระทั่งหกโมงเช้าได้มีสิ์มารีบหาหลวงปู่จินได้ทราบว่าหลวงปู่เลือมรณกภาพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเวลาประมาณตีสามหลวงปู่ได้จากไปแล้วอย่างไม่งวนกลับรวมศิริอายุ ข, ของหลวงปู่ 82สองปี9้าเดือน19วันอายุพรรษา63าพรรษาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสรีรับร่างกายเมื่อบรณภาพแล้วนั้นหลวงปู่ก็ได้บอกไว้เป็นในๆจากเทศกันหนึ่งว่าเมื่ออายุสังขารแก่ชาราถึง80สิปีแล้วอะไรอะไร มันก็ชำรุดชุดโซมหมดแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจเข้าสู่นิพพานปล่อยวางสังขานี้ไว้ให้อยู่ในโลกนี้จิตใจพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่นิพานนพานนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขพระองค์เอาใจิตใจไปแล้วส่วนร่างกายมนุษย์ก็ทำชาปนกิจถวาย พระเพงพระพุทธเจ้าภายในเจ็ดวันนั้นเองก็ถวายพระเพงไม่เก็บไว้เหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ไรู้เก็บไว้ทำไมร่างกายของคนเราของพระเนนพระขาวนางชีอะไรก็ตามมันก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันหมดเรื่องแล้ว ก็เผาผีจีกระดุกไปให้หมดหมดเรื่องหมดราวคือไม่ต้องไปเป็นห่วงเจ้าของเขาผู้ตายไปเขาก็ไม่ห่วงแล้วเราจะมาห่วงทำไมเล่ายอดหลังไปประมาณแปสิบสามปีณบ้านบัวหลวงปู่เปรียบได้ดังดอกบัวงามดอกหนึ่งที่เกิดขึ้น มีจิตที่ขาวสะอาดตลอดมาแม้มาอยู่ในร่มภากาสาวพัดหลวงปู่ก็ยังรักษาความบริสุทธิ์สะอาดแห่งพรหมจรรย์ในพิกษุภาวะไว้ไม่มีที่ดังพร้อยประพฤติตรงต่อทางหลุดพ้นเพื่อความหมดไปแห่งอสะวะกิเลจนเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกองค์หนึ่งและเป็นที่ก่อรกรักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สมดังคําพยากรณ์ของพระบูรพาจารใหญ่ที่เป็นแม่ทัพแห่งกองทัพธรรมคือท่านพระอาจารย์มั่นปุริทตะเทระหลวงปู่ได้ทําหน้าที่ครูอาจารย์ไว้โดยสมบูรณ์ยิ่งแล้วทั้งด้านเทศนาธรรมและด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามหลวงปู่เป็นผู้มีใจหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมทั้งหลายซึ่งพวกเราจะยึดถือปฏิบัติตามได้โดยสนิทใจหลวงปู่ไปอย่างผู้ที่พร้อมรับต่อความตายทุกขณะสมตามที่หลวงปู่ได้ทำสอนผู้อื่นเสมอบัดนี้คงเหลอไว้แต่ธรรมานุสอนที่จะคอยย้ำเตือนลูกศิษย์ เสมือนหนึ่งหลวงปู่ยังคงอยู่กับพวกเราอย่างไร่ชิดตลอดไปหนึ่งแห่งธรรมอันนั้นก็คือมรณงเมพาวสติเพื่อให้พวกเราไม่ประมาทต่อความตายที่จะมาถึงแล้วเร่งขวนขวายภาวนาตามอุบายวิธีที่หลวงปู่ได้พร่ำสอนให้เป็นผู้ที่พร้อมรับความตาย อยทุกลมหายใจเข้าออกก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาคุณหลวงปู่ยานสูงสุดชีวิตของเราไม่เป็นของยั่งยืนเป็นของที่จะต้องตายลงโดยแน่นอนเวลานี้เราอาจด้ยินข่าวบรณกรรมของผู้อื่นของพระอืน่นแต่อีกไม่นานข่าวนั้น ต้องเป็นของเราบ้านเพราะชีวิตทุกชีวิตจะต้องเป็นไปในลักษณะนี้ทท้านั้นฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องความตายให้เรื่องภาวนาทำจิตใจให้หมดกิเลสหมดทุกข์หมดร้อนให้ได้ก่อนความตายจะมาถึงพุทธาจารว่า